เจ้าชายและชายยาจกนานมาแล้วเมื่อพระราชชาเฮนรี่ที่8ปกครองลอนดอน mm hmm. ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น mm hmm. เด็กชายสองคน mm hmm. เกิดขึ้นในวันเดียวกัน mm hmm. คนหนึ่งเกิดที่พระราชวังเป็นเจ้าชาย mm hmm. และอีกคน mm hmm. เกิดในครอบครัว ย, ยาจก และเป็นยาจก <c oughs> ครอบครัวยาจกอยู่ไม่ไกลจากวังมากมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก <c oughs> ในขณะที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้ทานอาหารและเสื้อผ้าที่ดีที่สุด <c oughs> ครอบครัวยาจกเด็กชายถูกตั้งชื่อว่าทอมต้องขออาหารและไม่มีอะไรใส่นอกจากผ้าขีริว พวกเขาได้โตขึ้นและมีเรื่องอีกอย่างที่เด็กสองคนนี้มีเหมือนกันอย่างน่าประหลาดกำลังจะถูกเปิดเผยขึ้นเว้ยทอมนายนะ้มันไร้ประโยชน์นายเอาอะไรมาให้ฉันวันนี้ละ่ะพ่อครับผมไม่อยากไปขอเขานายคิดว่ามีคนอยากขออาหารให้นายเหรอถ้านายไม่ไปขอแล้วเราจะกินอะไรและความคิดแบบนี้นายน่าจะเกิดในวังนะ ทำไมถึงมาเกิดที่บ้านยากจนอย่างนี้ล่ะแต่ผมจะอธิบายเรื่องที่ที่ผมเกิดได้ยังไงอุปปากสซะเจ้าเด็กในระคุณออกไปแล้วก็ไปหาเงินมาสิ่งเดียวที่ดีที่สุดในชีวิตทอมคือศาสตราจารย์แอนดูที่สอนอยู่ในโรงเรียนแถวนั้นเขามักจะนำหนังสือต่างๆมาให้ทอมในแต่ละอาทิตย์และพยายามให้ทอมอ่า หนังสือนะ่นคือเพื่้นที่ดีที่สุดของมนุษย์หนังสือจะช่วยสอนนายทุกสถานการณ์ฉันรู้ชีวิตมันยากสำหรับนายไม่คุณไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้บอกผมนอยสัตร์ตาจา์ทำไมผมถึงไม่ไปเกิดในวงังผมไม่อยากเป็นยาจกตลอดชีวิตมันไม่ยุติธรรมต่อผมเลยใครบอกว่านาจะต้องเป็นยาจกเพียงแค่เกิดในครอบครัวยากจนละมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรอครับ ลูกครอบครัว ย, ยาจกก็ต้องเป็นยาจกลูกชายของพระราชาก็ต้องเป็นเจ้าชายแต่เมื่อเราโตเราสามารถจะเลือกเป็นใครสักคนก็ได้จริงๆแล้วเราสามารถเลือกจะเป็นใครก็ได้นะตอบคำถามฉันหน่อยถ้าฉันใหนายเลือกระหว่างเป็นยาจกกับเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นายจะเลือกเป็นอะไรถ้าอีกทางเลือกหนึ่งคือคนไม่ซื่อสัตย์ งั้นผมเลือกที่จะเป็นยาจงดีกว่าคนไม่สื่อสัตว์ใช่แล้วเห็นไหมนายสามารถเลือกได้เสมอมันไม่สําคัญว่านายจะเกิดในวังหรือกระท่อมเล็กๆจะเป็นคนสื่อสัตว์และสูงส่งได้ต้องใช้ความกล้าหาญนะทอมฉันรู้นายมีความกล้าหาญอยู่ขอบคุณฮะวันหนึ่งทอมต้องออกไปหาอาหาร เขาได้เดินไปไม่กี่นาทีก็ถึงวังเขารู้สึกถึง่งเมื่อได้เห็นวังที่สูงและใหญ่ตรงหน้าเขาเขาเดินไปรอบๆและแอบอยู่ในพุ่มไม้เพื่อที่จะดูวังไกลๆเขาเห็นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกำลังเล่นของเล่นของเขาฮะเขาต้องเป็นเจ้าชายแน่ๆเลยฉันอยากใช้ชีวิตอยู่ในวังบ้างจางังนี่นายไอ้เด็กซงกรบล็กการนี้ยังไงคาวันที่นี่ก็ได้รับอนุญาตอะ โยนมันออกไปดีกว่านะขณะที่ทหารจับตัวทอมแล้วโยนออกไปเ <N> จ้าชายเอ็ดเวิร์ดวิ่งเข้ามานี่มันเรื่องวุ่นวายอะไรกันในคนนี้พยายามที่จะเข้าหวังไปอย่างค่ะนายชื่ออะไรผมชื่อทอมคาร์ทีขอโทษครับฟาบาทผมไม่ได้จะทําอันตรายใดๆผมแค่มองเข้าไปตรงหน้าต่างเท่านั้นการที่เขาใส่เสื้อผ้าสกปรกทอมได้พูดจาด้วยความเคารพ เจ้าชายได้สงสัยในตัวทอมเขาพาทอมไปที่ห้องของเขาและให้อาหารกับขนมหวานแก่ทอมทอมไม่อยากจะเชื่อว่าเขาได้ยืนอยู่ในวังจริงๆคุณโชคดีมากผมอยากเป็นเจ้าชายบ้างจังนายไม่คิดว่ามันมีอะไรแปลกๆเหรอทอมเรามีความเหมือนกันด้านรูปร่างจมูกเรากลมเหมือนกันผมอยากโศกตาโต ไม่ได้สังเกตแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ที่เรามาต่างกันสิ่งที่สำคัญในดินแดนนี้คือคุณใส่เสื้อผ้าแพนแล้วผมใส่ผ้าขี้ริว้วคุณไม่รู้เหรอว่าทหารปฏิบัติกับผมยังไงไม่มีใครสนใจว่าเรารูปร่างหน้าตาคล้ายกันไม่มีใครสนใจฉันไม่เชื่อเดี๋ยวนะทำไมเราไม่แลกเสื้อผ้ากันแล้วหลอกทุกคนล่ะมันน่าสนุกเนะเออผมไม่แน่ใจอะ ไม่เอาหน้าทอมเราเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วเขาก็แลกเสื้อผ้ากันทอมและเอ็ดเวิร์ดตกใจตัวของพวกเขาเองในกระจกว้าวเราดูเหมือนกันมากเฮ้แต่มันคือความฝันเราควรเปลี่ยนชุดคืนกันได้แล้วนะทำไมรีบจังให้ฉันได้ลองหลอกทหารของฉันก่อนสิฉันควรเดินออกไปจากห้องนี้และแต่งตัวเหมือนยาจกและนายอยู่ที่นี่แกล้งเป็นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเออต แล้วถ้าอยากังวลไปเลยทอมทุกอย่างจะไม่เป็นไรฉันจะออกไปตอนที่เจ้าชายเดินออกไป <c oughs> เขาได้หยิบอะไรบางอย่างและซ่อนไว้ในเสื้อผ้าสกปรก <c oughs> และเขาก็ได้เดินไปที่ประตูลหลักของวงังทหารก็ไม่สังเกตเห็นเขาทอมพูดถูกนะพวกเขาสนใจแค่สิ่งที่ฉันใส่พวกเขาจาฉันไม่ได้เอ็ดเวิร์ดเดินออกไปนอกประตู และหันกลับมาจะกลับเข้าไปแต่ทหารหยุดเขาเดียวพอกันทีพวกเราจะไม่ปล่อยให้นาเข้าใกล้เจ้าชายของเราอีกแล้วออกไปใจเย็นก่อนสิฉันคือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดถ้าอย่า ง, งานั้นก็คือพระราชาอะไรนะไม่นายไม่ใช่ไม่ว่าเขาจะร้องขออย่างไรทหารก็ไม่เชื่อเขาโยนเจ้าชายออกไป <c oughs> ออโอ นี่มันไม่ง่ายเอาซะเลยแล้วฉันจะไปไหนต่อล่ะเจ้าชายที away, ่ออกไปจากวังและเขาก็เจอกับพ่อของทอมโดยไม่คาดคิดโอ้ยตัวเด้ไร้ประโยชน์นายหายไปไหนมาฉันหิวนะไปหาอาหารมาให้ฉันเลยไม่มีใครเคยพูดกับเอ็ดเวิร์ดแบบนี้เขากลัวและสับสนเขาเดินไปหาอาหารเขาได้ไปตามทางและตกใจ กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าของเขาคนในประเทศของฉันยากจนจังมันไม่น่าเชื่อเลยเราทิ้งอาหารทุกวันในวงังและที่นี่พวกเขาไม่มีอาหารจะกินแม้จะเป็นครอบครัวของคนสองคนและทอมก็พยายามจะบอกให้ทุกคนเชื่อว่าเขาไม่ใช่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแต่ก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังเขาเลย เขาเป็นอะไรหรือเปล่ามีบางอย่างผิดปกติกับเขานะฉันไม่รู้ฉันถามเขาเกี่ยวกับหน่วยทหารรบของอังกฤษและเขาก็ตอบว่าเขาไม่รู้เขาเป็นเจ้าชายมันคือหน้าที่ของเขานะแล้วเขาจะไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยขอโทษนะคะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาลืมเหมือนกับที่เขาลืมว่าเขาคือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดไม่ใช่ทอมเด็กชายยาจกนั่น โอ้พระเจ้านั่มันจะแย่มากสุขภาพของพระราชาแย่ลงทุกวันและลูกของเขากระสุนเสียความสรงจำโอ้พระเจ้าในโปรดช่วยดินแดนแห่งนี้ทอมอยากให้เอ็ดเวิร์ดกลับมาที่วังเร็วๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คิดได้ว่าเขาต้องดูแลดินแดนนี้จนกว่าเจ้าชายจะกลับมาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดคือเพื่อนของเขาเขาจะไม่ทำให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดผิดหวังทําเป็นคนฉลาดหลักแหลม เขาทำหน้าที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและเรียนรู้อย่างรวดเร็วทุกคนในวังเริ่มเชื่อเขาและได้เจ้าชายของทุกคนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นนักอ่านที่ดีเขาได้ความรู้เมื่ออ่านหนังสือตอนที่ศาสตราจารย์แอนดรูมอบหนังสือให้เขาเมันเป็นประโยชน์มากเช่นกันวิสัยทัศน์ของเขาน่าชื่นชมเขาอ่อนน้อมถ่อมตนและใจกว้างทุกอย่างเป็นไปได้ดีจนวันหนึ่งเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้น เมื่อพระราชาเฮนรี่ที่แปดได้เสียชีวิตลงพระราชวังอาไลาพระราชาของเขาผมต้องขอโทษกับความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ถึงเวลาแล้วที่จะแต่งตั้งท่านเป็นพระราชาอะไรนะทำไมรีบจังทุกคนบนดินแดนนี้ต้องการท่านต่อชายและท่านก็ได้เรียนดูเยอะแล้วมันถึงเวลาแล้วผมจะไปจัดวันแต่งตั้งพระราชามา ทอมชอบอยู่ในวังแต่เขารู้ดีว่ามันไม่ใช่ชีวิตเขาเขาไม่อยากถูกแต่งตั้งเป็นพระราชาเขาส่งคนไปหาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแต่ทหารไม่รู้ว่าเด็กชายยากจนไหนที่ต้องการให้ค้นหาพวกเขาจึงกลับมาแบบไม่มีข่าวสารใดๆทอมเริ่มเป็นห่วงเจ้าชายและทุกคืนทอมก็อธิษฐานให้เจ้าชายกลับมา เอ็ดเวิร์ดพบว่าเขาต้องเจอกับอีกปัญหาหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินอยู่บนท้องถนนเอ็ดเวิร์ดได้ถูกขโมยสองคนบังคับให้ยอมรับผิดว่าขโมยแม้ว่าเขาไม่ได้ขโมยเอ็ดเวิร์ดถูกจับขังคุกวันที่เขาถูกนำตัวไปศาลเอ็ดเวิร์ดได้เตรียมใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฟาบามันคือการเข้าใจผิดนะ อาหารของผมนี่จับตัวเด็กชายมานึ่งจะคิดว่าเขาเป็นโจรแต่เขาไม่ได้ขโมยอะไรก็ใหนปล่อยตัวเขาด้วยเถิดเอ็ดเวิร์ดถูกปล่อยเป็นอิสระเขาขอบคุณชายที่เมตตาเขาและขออะไรบางอย่างผมมีข้อความสําคัญที่จะต้องไปบอกคนในวังเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดจะถูกแต่งตั้งเป็นพระราชาพรุ่งนี้ช่วยพาผมไปที่วังหน่อยได้ไหมครับ นายแก่ไม่ได้เชื่อเอ็ดเวิร์ดแต่ถ้ามันเป็นคำขอที่เขาจะขอเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งพระราชาเขายินดีที่จะพาเอ็ดเวิร์ดไปวันรุ่งขึ้นในวังทุกคนพร้อมใจกันเชียร์พระราชาคนใหม่มันเป็นวันประวัติศาสตร์วันนี้เราจะแต่งตั้งพระราชาคนใหม่ของเราพระราชาเอ็อดเวิร์ด <GM> ทุกคนตื่นเต้น ม, มากขณะที่มงกุฎกำลังถูกวางบนหัวของทอมไม่เดี๋ยวก่อนฉันคือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดตัวจริงอะไรนะกล้าดียังไงดูเสื้อผ้านายสิทหารจับตัวเขาไม่ปล่อยฉันนะทหารหยุดก่อนเขาพูดเรื่องจริงลอดเซนจอน เขาคือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและผมคือทอมคารนทีผมพยายามจะบอกคุณแต่คุณไม่เชื่อผมเป็นไปได้ยังไงเนี่ยถ้าคุณยังไม่เชื่อพวกเรางั้นนี่ไม่มีใครเป็นห่วงหน่วยทหารรบทหารอังกฤษล็อกฉันเอามันไปด้วยตอนที่ฉันออกจากวางังเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและทอมได้เล่าเรื่องทุกอย่างทุกคนตกใจที่เจ้าชายของพวกเขาได้เดินไปตามท้องถนน ผมขอโทษเจ้าชายผมพยายามตามหาคุณแล้วแต่ปดมารับตำแหน่งพระราชาเถอะทอมนายคือเพื่อนที่ดีของฉันนายทำหน้าที่ฉันได้อย่างดีตอนที่ฉันไม่อยู่ฉันประทับใจความซื่อสัตย์ของนายนายสา ม, มารถโกหกและเอาตำแหน่งของฉันไปได้เลยฟาบาสผมอาจจะเป็นลูกชายยาจกแต่ผมจะไม่เลือกที่จะเป็นคนไม่ซื่อสัตย์มันเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักนายนะทอม นาะยอยากจะเป็นที่ปรึกษาฉันไหมแผ่นดินนี้ต้องการทัศนคติและความรู้ของนายด้วยความยินดีอย่างยิ่งฟาบาททันทีที่เจ้าชายได้รับตำแหน่งเป็นพระราชาของอังกฤษเขาได้เปลี่ยนกฎหม่ของแผ่นดินของเขาเองการได้เห็นความยากจนทำให้เปลี่ยนเขาเป็นพระราชาที่มีความเมตตาในสมัยของเขา พระราชาได้รับแรงบันดาลใจจากความซื่อสัตย์ของทอมคานทีพระราชาเอ็ดเวิร์ดและทอมเป็นเพื่อนสนิทกันตลอดชีวิตจบบริบูรณ์